กมหลัากนันควบมจกนนก็ีย้นกากอบยุอค์ชิอากันต่วาทุกาเป็นั้นออันยากมันก็เป็นานะอันยมันก็ได้รับล้ยม่าวเดนพหน้าวัีุโทั้งโมทั้งโหอันยมันมดเมื่อหายแที่ทมดไม่มีวเก็บยกังเลยแมแ่ ก็เปียเดี่ยว่จักขณะเดี่ยวเขาไม่ค่อยเห็นชิ้โส่วนของเขาอะไรเขาเขาสันงหมดก็เลยเจ้าเปลียบว่าเป็นวกเขาพวกนี้พวกนี้พวกนี้เทปบอดี้คือห่อพวกโคตรพวกตั๊กแตนโก้โผน้าตั๊กแตวโตโคตักโมอะไอย่างเี้ยสโย่ก็ดีหรือน้ำมเม็ดาตุ๋นทานั่งนี่กัดนานั่งมาเห็นชีนั่งกันหคั้งก็โลมมหาเวโร่ตั้งจอดตั้งคั้งก่อน เม่ทงพระโลมาหายโสพรเจ้าแม่ทั้งพรจะนั่งพระโลมาโลนี่โสที่บังพระโลที่พรเจ้าที่ฝังพรชุตินทรโลผลท่านด้วยชนะลาบอกโพรพุทธเจ้าผลท่านยากของมนกันนั่งพระโลโผล่ศรธาโกพระพุทธเจ้ามั่งพระโลของมันกันชวนโนชวนโนที่เรีว่าโสของมันกันพเจ้าชมนะโสที่โผล่พระักพระพุทธเจ้าโสที่ของนกัน อันนู้น菩萨สีสนตโนพระเจ้าโน菩萨สีก็นะพระสมุนตโนพระ菩萨โตพระเจ้าพระสมุนตะละหน้าละโทรละษาระสีพระพุทธเจ้าหน้าละวาพระสมุนตะโลพระตาตะโลพระพุทธเจ้าพระสมุนตะละโซ่แมโทษก็สีพุโธพระพุทธเจ้าโซ่แมเนัก่อน คุณชาโตซัโลปั๊บโกศรียาชัดศีนะพระเจ้าศรียาชัดศีพัชราชัดศีขานวิสโกพระเจ้าอัตถะศรีถ้มาชัดศีตะโมงพระเจะทธเจ้าถ้มาชัดศีจุโมโนจมโนโรเวัโตะเจ้ามนา โลกตีโตคนลันกว่านอันนี้ราคาถ้าโหสิโยเนี่ยพระทเ้ามาบวรกุที่รงก็แล้วก็มาบวรกุลที่สุดมากอีกมาบวรกุละจะตัดแขกอาสงไขอาสงไขตัับนั่งคำนงพระพุทธเจ้าหาพระองค์มาขอพระองค์มาถามพระองค์มาอาสงไขกลับันมันสิลายหมดไดคร ไป่ไปได้งั้นคือแบบเราสองไข่แต่ไล่คนหลันล่านถือว่านี่ย่างนูีวันนับนั่นนี่ไา่ว่าไกการของมันคือการั้งไล่แล้วลนั่นคือไล่กันใหนักนัดก็ไหวจังร้อยบดมหาสมุทรสุรัขึนนับไปนสีไม่ใช่กรังหลันล้านมหาสมุทรสุรัตเก่านนแค่เ้ยไปพบวัดเอเงี้ยเสือมาด้วยจับจับเพื่อจับสร้างลาย เรายบ่าชุดของเราป็นชุรกที่คุณตาดาข้ามมา่านชุดของเราข้ามข้าสวนเขาเลยมะดอกสงสัยมะดอกสงสัยว่าคําสวนใดมันเนือคํามสวนท่าน้การะไปถังก็เสงสัยว่าขํามสวนใดเนือขํามสวน่านผู้จัการจะน้าอยางวเดินสา้ว่านผู้จัการะมันจะวัดไปหลงเลยตกอควบเดินแาย่านผู้จัดการจะน้าที่วัดังกว่าที่เข้าใจว่ารักที่อื่น มันเ็คดีาาสอนพระพุทธศาสนาอยู่แต่เ่าเขาจว่าค้าับที่อื้เสรนข้ามสอนพระพุทธศาสนาอยกแล้วก้อนฉันพรุทธศาสนามันกระบาดไม่ว่าะมันกรบาแกมใจหรือมันกระบาดสายใจเื่องั้นพราะเขเห็นมันย่างสงสอยู่เล้วเขาเห็นมันึงรงว่าคําสอนอไไดตัวคําสอนพระพุทธเจ้าเมื่อไรแ่มันวาุโทคนหนึงเดี๋ยวมันจะไม่ทารายไม่ว่านโมคนนึเมันไม่าายคือพระพุทธเจ้าวัดจุกๆก ว่า่อ่อ้พุทเจ้โว่าพั้เาริเนี่ยถึงพุทธเจ้าุกโออกันััง้าคนเ็จถึงช่าพุทธเจ้าุกออกันังผ่ายะองพุทธเจ้าตุกอเอกันเดียวห่งึงก่อนห้าห้ากบพุทธอ่าก็เปนังหาเที่บานกำลังทีกำลังของเียในวนเชื่อผ้แน่ไปเชื่อทแน่เผีแน่ จับปลาไล่ตัวรลุ้นย the ่นี <core chain thieves vào> ้ได <no pollution> ้จักตัวั่จะกบคอไดจะบลกนั่นะกบเขียงหรือว่ากวาดไปกวาดมาอะไปักตั่าอะไรบ้างเลยจับตัวนั่นจักตะนั้ล้วสชาักตะนตะนะีรักตะนนี้ตะตะตะตตะตะตะะตต ก็ะพูดอะไรก็ไ้โอหัำงาน้องหัวเ้ต่างกัอางนู้นน้นก็จะตื่นเตนบนี้น่นองมอง่าจะนแบ้ยาอันนี้ลูกว่าพอยาพระพุทธเจ้ายาพระพุทธเจ้าต้องยาอย่างไรสอนใบขาขาขาลักษณะพระพุทธเจ้าแน่ใจหมสอนใบไม่เี้นไม่ไอ่สอนอะไรชัวร์ทำดีนันเป็นยามาเ้อแล้วทำสอนเป็นยาพระเจ้าปัสวะพระพุทธมเหา นั่นอนยารัาโลกคกับคนอยากเรียนกันคืว่ามีแต่บาทเช่นนันก็น่าจเรยนกันอยากเรือบุ้ไหนคือบบจรี่บนยมันน้ยไม่โลกกันเท่าตอนแรกทั้งองค์กรเขามาสองคนเดี้วเขาเป็นนเ ผถือว่าพมไม่ข้าสอนในใดแลื่นข้ามสอนพัะพจนาไปส้อย่างก็มันถึงบาะเทำผสมอย่างเก็ไม่ขึ่นมันไยึดที่าอื่นนี่กางเขียนนักพจนิยายแบบนีก็มูเลยถ้ามาหาอย่างเดียทางทีสอบนพาสอนกือทสอน่อยใ้มดหมดยว่าสะตั้งสถาบัก็ตังสถาัขนาด น <ersch> ั่งเว่าบริุทธิ์นบริสุทธิ์ข้ามัญชลีองกาเดียร์บรทธริสุทธิ์ข้างยัมชอนตางาพระคุัานี่ต่างากพระจังมาดีลยว่าในอ่างไหวแล้มันพว้าใกว่าเล่นพวกคนอื่นไหลแต่กวายเล่นพวกอื่นเขาบเขารบเต็มอกเต็มใจเองคืออ่ามไหนไมท่านหรืต้องใชก็คือ นี่าว่าเราสะไปที่บ้าใหทํทำไหนสถานเดิมเดี๋วไปที่บัดใหน่อยก็มันเลี้ยข้างหลอดไปที่บ้นให่รก็เลื้ยข้างหลอดสงสัยเราพูดศาสนาศาสนาว่าเป็นศาสนาธรายอมพูอื่นว่มีจักขลายคิดเลยหล่อใช่เอารอดรอผู้อื่นผู้อื่นคน่เรื่องรักที่นั่นรักที่นี่รักษี่ี้รักทีสามศาสนานั้นศาสนานี้มากอ่ะฉันบอาย่อไรเด็เพราะจะมีเง่นจากเท่ากันแล้วเฮาพูดจะถือย่อไรจะหาสกันมาไหนนะจักจ่ายเท่าเพราะว่าัั่ ศาสนาดันดีสันดีสี่ดีสันดีี่แล้วสันโอ้ยจะมาหน้าสุดเท่าอ๋อผู้ชิคัดฟังดีแล้วแต่ก็อยากจะรักหูเสียเอกนี่พวกเราอันเนี่ยเอื่อนมาว่าศาสนาดีสันศาสนาดันดีสันดีสี่เอยดีกระร้างก็งอมาดีก็ข่าวโบนี่กพระพุทธเจ้าไปเขาวางเียดอกแล้วก็ได้๋ยประมาณว่าพอดีดอกข่าวโบนี่ก็พระพุทธเจ้าไปดอกขันเื่อบบนี่ก็พระพุทธเจ้าไดอกข้าพรบ่าทธองค์ไปว่า่ไปจำใช้สาระไรกยนดีว่าใช้สาระวอกจากูหมูอะไรอย่างที่แล้ว ว่หน้าช okay. ุนอว่าอยางว่างเสียบอกสานสถานของเบลก็เนี่ยภูหยาแถวนี้ของบุ๋งดเห็นบอกนี่อันนี้เคิกเบงด้วยเห็นบอกนี่พระพุเจ้าลูกพระุเจ้าด้วยคุบุงวยเห็นบนี่พระพุเจ้าห้อนี้มด ตามมาล้วไม่มาแสดงไ่ย่งมันตายหมตามมาแล้วไม่มาแสดงก็ไม่ยุ่มนเอาหลดนี่เอกสารมันบัตรถ้าถึงวันหยุาตามมาแล้วไม่มาแสดงแสดก็ไ่ยมทานยาว่าปาป้าทียาานามาอาสใจก่อนน่ะยมาหลอกลกงผมคนชิเขาว่าป้าทีนะม้าปายาล่าหน้าของคนว่าน้าร่าหน้าอะไรพวกนี้ตามมาแล้วไม่มาแสดงแสดไม่ย่งมาดสเนี่ยพวกสัตนี่ไปนั่งสัตว์นี่ไปนั่งสิสัตนี่ไปังสิ ม่บักบกบัเกี่ยวับศาอกจารกเลย่ะต้่าเถียวมาอ่างเลยตาเป็นก้มเลือนนัยก้มเลือนนัยก้มูนึงอาศัยย้านุ่งยังไง้ามากู้นันอย่างนัานก็ข้อกลอกกันตัวจะกรอกแก้เดา เทวาขได้ถือควัใหม่ตงาไ ใ, ให้ัปปปงดะพานใช่กบผ้นซื้กไก่บกัดกันไ้วนามากมากทีควนตอดหมชิ้านแตบาีควันด้ต้องการสำอะหมม่หมเลยบ้ไหนทังไอ้ควนเยีมันจะที้ออจ อ, อยได้มไม่ดคือการกระทาเที่ท ย, ย, ยนนวนาของหม้าหาเทวนาเอา นายารักษากข้อควกมกันเองะเทวดาได้ปล่อยลงเขียนลงไปลงตาเด็าลงเขียนรับพ้กุ้งนันสิมันเล็กมือ่อไรหน่อยมจะพ้กนันอันนี้คือไแต่ศาสนาพุทธกันไปหาตาเอ่นศาสน า, า่ะเอินเขาไม่เขากีดบดตรดัาาบดเรื่ ว, ว่างะไรับบริษศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาว่าว่าไฟฟอกไค อ, อ, พ, อ, อ, พ, อ, อพี่ยบรตัววอร์ตอาพ้่คพ ขาติไปเขาอะไามันนาบอกนเลยอะบ่าบางเส้นบุญเนี้ยตัว้าเราควรจะจ่อตังสวิหน่อยกะตั้งไม้จะมีอะไรดีวางเลยไล่ไปดีขั้นง่งนงง่วงนึ่งงี้ขั้นตั้งชีพั้งชั้นจะไปจะงบบุญเนี้ยชีวิตต่างลานนึ่งบุญไปขั้นตั้งชีพั้งชั้ก็บุญบุญวางเลยเนี่ยโอกจ่างต่าออกไปที่เพื่อนเ่อนเพ่อนเพื่อนเบุญชา แล้วเลี้ยถึงจีเป็นฮาแล้วเถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊โตอ่านงั้นจะได้บุญหลายแล้วถึงปุ๊โดปุ๊โตสามโ่สาโตอ่านไม่ไงนนี้ด้ั่นีีก็จะเป็นาจีมึงฮาจีตักีตัวด้วก่งมงันคืก็ดีก่อยหลังบ่แล้วเลปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊้บต้องมายเรืยรา้าป่อยพได้ทัดแจงบาคาเสียงกัน้พกได้กนจะไปบ่แแหปสัตว์ แม่บอกแล้วก็สมญาดังแล้วก็เพื่อนกับมันไหนกูให้กูเอาสักต้นเลย้นตัวบุญหลอดยาบกแก่เด้พอได้รู้จิญาณขอคุณต้นธรรมขงสมสารเห็นพอแล้วผมก็อยากเริ่มอเริยนี้ผมเป็นตามตาตาเสกอยากเริ่มอยากเริ่มใจเข้าอะไรลึกเข้าในปุ่นใจเข้าอะไรลึกเข้าในบาทอยนี้มันในบาทเราะผมยกัเราริบ่ นอกข้างเรื่องงานมันได้บุญไปละบอกจะได้ก็ได้ยื้ใจครับก็ได้ก็ได้ยื่ใจวันใดก็าปก็ไปก็ไปก่ไปเป็นบอกคงไม่ง่ายเนยครับอยู่ข้แห่งตัวไหวมาจ้างคนานเบ่ก็มันก็เขามาอยู่ว่าวเขามาทำงาแล้วนี่เป็นจานมาจ้างคนงานก็ วัดมึงวัดต้องกุศเจียวัดน้ไล่เ um, ้งยงนหลวไปกับคนแน่ไปโรงพยาบาลของคนไปกับคนนําไล่บางคนเจายวเขาชอบกินนะงูห่างเาว่าอาศัยน้ไล่าที่วัดไปกคนก็จะให้เขาทนน้ำไล่มาให้กินนะว่ากินแค่น้ำไล่เขาจะเนื่อยเขาอมเล้อ่ะมันเป็นเพนกินน้ำไล่เขาจะเนื่อยร่างชากิร้าพอเขาก็ไปเขาเอาไปเจะผลานําพอใหญ่เขา ลอกปูง่ายคือพอมันจะกจาะช่วยางคนประทับประสงคล็อปูง่ายล้วนวดล้วนสาธล็อกคองายบคนเจะกัเป็นลอกคอเหือนพอฝหลงหุ้เนี่ยสอนางไหนบาด็สอนเนี่มีแนีมีน้ำหอมวัดได้มาสอนแต่บางวิธีน้ำหอมเขาไม่เ นั่นัใจงูเจาจะไปเบียเบียดคจะข่าซอกล้าซมันือแข่าเมื่อมูเจาะไ่เอานายก้องว้าคือกรทำกรคนทำนคนฟันามู่เจาย่างไปข้ามูเจาใช่ยางกระทตัวเนี่ยย่างไปทัำดีแล้วเน่าเขาอยากเชเทกรสอบนี่นอนมูเจาหลัางงเจาะไอนอนทมันดีเนี่ยคอนอนคือจเบียดเบียนไอ้นอนพ้าวหน้าหันไม่น่เพื่อนเพ่อนไ้ลับาน นั่งเล้อถางนั่งงให้นั่ดีๆจะไปนั่งจอบสลัดของเพ่อนเันั่ก็นั่น่เ จ, จะไป น, น่งจอบสลัดจอเพ่นอนเาสัน่จะบอกเขาขเมื <c oughs> ม่อนมื่องเจาะไอนกไไมันมันดูดๆจะไปหาต่ควอดขาจะไปหาจ่ดำจะย้ำมาแค่งกันลายมันจะเล่ น, อยอย น, นไปไอถึงว่าคุณมาทำมันก่อนว่าบาดมึงเจา จะส่วนเาต่งไปข้างหน้าหากินนะจ๊ยักตัวตุวนกันไปเลิกอยลายนะจ๊ะนั่นเพาคนทเจ้าบอว้นด็จะสวนกันไปกินเหล้านะจวนกันไปเรือะส้วนกันไปรักของคนนะเข้ารของเข้าจังไรเข้าร้องของคนจังสั่เข้าร้องหยกเข้าเมียเข้าร้านเข้าจังไรเข้ารองของคนจืดสั่เปลี่ยนเปลี่ยนคนทั้งซีเข้าจังไรจังทั้งซีคนมาจัง มขอดีขอด ม, แบบมันต้ว เ, เป็นอนนี่มึงก็กกาางมเด็เดเดเดเดกก่อนตอมึงมูบเด็ดเกมึงมึงเดอยู่ไหนอมาไปรัก็บความมัรัขามาเลยวก็คือกอดฉนมาเข้ยนเยนเพ้นกอดเยู่ากขอเพอนเนื้อายี เติมน้งแร่นกือบิน้ำคู่เดียวะเอิม น, นัำ้ำทำมันเติมน้ำคู่ใบาอาจารย์เราก็หายมันไห้ไมแล้วก็หายแต่ไฟเ น, นีน่ยฝ น, นมันถึนหนงหนามแล้วะะลมวันดีสึงกินแล้วมันโวที่เติมน้ำหมามดแข้วขัไปยางข้าวเหมนันเนี่ยเลี้ยงประเทศเนี่ยมากรุ๊ปเป็เนี่ยเนี่ยอายุี่มหาปีว่าทไมอ่ะแล่นนหมาให้ไล่มันมาว่างขัไปยากขาอนก เร่งๆก็แคังไม่เห็นเรากลัวเราห่วงเกิดหมแล้วเกอดก็น้อยเพาะฉันแร่กัฟ้าบบกของันทันเพาะฉันถือปอนไรก็นยังพันทันยวฉันน้ำเทเดี๋วนี้เพาะฉันไม่หรอกันเดินไปน้ำมันไอจานดาวตัวนั่นว่าะฉันงานล้นเลยจอดหางอกหนูเลี้ยงจอดหางดอกไม้ดูซามันยันหมันเพราะฉันแล้วก็ยันหมันก็หัวซาห้อยหมันนั้นเพาะฉันจานนอ้นไองานล้นเสียไว้ดีๆหรอเพาะนยว่าอย่างฉัน เช็คไปล้ก็ว่าเน่ยนึงวัยนี่ศาสนาพุทนมาวนี้ดอกเนี่ยนึงก็ตายแล้วลาเดือนเนี่ครับเช็คเงาพูดโดยจังหวัดท้ายอยูู่้เก่าอ่นี้ แั้าเายูนีน้ม่ใช่เาจะตุลั็อย่างนู้ัดมือเาอันว่าหนูมันกัดฟาจับได้หักแขวบ้นานน้อยนกับบันกว่ายังไปหักแถวรู้ ว, รว่าเหเายุเกา่าเนียยิยิว่ว่าเนี่ไม่นาทัพแต่กระบอกนคนที่เหนหนูมากัดมือนี่ยเขาย้มใส่กบบรบปดี น้ำฝนเหมือนว่าเอาหมดไม่เอาไปพว่าแหะเอาหมไม่อาไปถืไปใส่ไปท่นพอดีเพื่ออย่างนี้น้องกัดเขามเือนไม <te am partie> <lush> ่ตั้นใจระบอกน้าฝนขันใจเถงว่าพเพราะทราะสงแล้วมันก็ไม่เงียาเไยนี่มันโมสงส่จะเทีนี่ถึงเงีสงใส่จะเทียดไข่กบว่ามันดูน้ำหอมของน้พราะทัเาสมอยู่บอกออกด่นจะเทยดดูหมใหญ่ มันถี่รลึมว่าตกวพยุโฮมกชามันกัยุโฮมเยเพาใหม่ตัน้นมันกวมั่งหรกลวมัใจพระกระามตนไงว่าเขาปรสงใส่ในตัวพระทรามานปรเสงคเทเร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่น่่่่่่ ผู้พัฒนาคนตายเนี่ยมันพู้โทษว่าแต่ไม่คิดกันเพราะผู้โทษความผูโทษบอกผา้พนคนตายเลยผู้รักษาชินาเนี่ยมันพุ้โทษว่าแต่แต่ไม่ผู้โทษสมมติสมโคของเขานี่ผู้ให้ทานนะแต่ไม่ท้าฟ to so ักอะไรเงี on, <t> ้ยมันพุ้โทษสมมติสมโพว่าแต่แต่คิดเท่าไม่ผู้โทษสมมติสมโคนะเขาโอนไปวัดนี่แหละแต่ผู้เขาซื้อศาสตาเอื่นเขาก็ย่างโอนของเขาไปอะไรอื่นเนี่ยท่านหญิงท่านญ้าของเขาว่างเขาผูเป็นเจ้าขด พ้าพ่อพกมัจองว่าตายวัเขียบ้านเดยัพ่อพุกมจองว่าไปวันนีตายค้าพ้าหน้าพุทโธเปิดพุทโธมรรคจะต้องไงย่างตังกับยางตังเิดพุทโธมโลกย่างถูงกัสถงดวัตพเจหน้าพุทโธพุทโธจะเรืนเรน่นี่ขึ้นคิดเขดดาถึงโธดาวันแล้วผมจะเกี่ยวคำว่าถ้าโม่ถาโคก็ย่ะ ก็พาว่หน้าคนตายยางพวนี้ก็ไม่เหมือันยิเขาถึงขึ้ตัวรัฐบาแล้วรัว่าลจันัออกจากวาระสงครานี่เนืดคนดีแห้ตูวเกิดที่ใครก็จะประคัดจะหนีไม่รองภาษนดีนั่งพักก็สบายก็เอางุดตัวตัวเตงอยู่นี่ละวัน พ่อโน้นก็แหงมาะไข่ย้อนแหงก็ปูมาหาปูมาหาบัวอันกแทงตัวปูก็ในวันนี้ตัวปูไปยังก็ถ่ายสั้นยังเ่อไรก็เอาบักแงลไปาันไป้ยังฟาอะไรเฉยเฉยชื้ควนไร่เอาบอกว่าสัตว์วนว่าสดาแต่บอกว่าเอาุปรตเอ้อปูตายเล่วัวรีน มันคนแล้วดนตลอดเาแบบนีพอรู้่ลพอพอหมดเนี่อนนี้จะมล็กปุมาหารและช่วงปุ่มอาหารอยู่ตอนนี้ใส่อนนี้จะต้องรู้ใจนอย่าง้เต้อง้ใจกันเยอะเอรงล็อก่อาารอบอกก ปีนี่ป่านันับเนี่ ย, ยอะสุดแค่ไหนมากมายเลยก็ได้แล้วก็คนที่บอง เขคงจงาายยนน ะ, ขขขะเขาพาไล่ยังไงวะการพ้ น, นามาอเนนงเาสั่งมันกรันเ้มันกลที่ลุกออาถ้ารานใะทัเ้าอยู่นนะข อ, ข อ, อ, อ, อ, อกนล็น้นำรอกันาจนมีชีวิอยู่หมด มาก้านวั่งลูกบ้านมารลกาาที่ี่เกาเรอบ้ได้ารแข่ัดมาว่าจะไลยงอร้วยอะไรลกับกับของผ่านมางนี่นของเขาท่านมาทำดีเขาเล่ยนั้นแต่เจอเป็นูกบ้านแีก็คอลูกบ้าน เป็นอย่นี้ก็จ้องบาไปเอดวเานั้นอนเดก่ากกบกพร่งากละก็เงต่างๆคเีจดเงิร้วยุ่ทัวแ่านวหา้ายอ่ะมาจะเอาใหรได้อะแค่คนใดแค่ ก็เห็นก่มือนกนเหะบอแต่จำไได้อะไรแค่วันต้องเข้เดียวนั่งนู่นมาแล้วกันนู่นมาว้าต้องนโดนรหัสเวมาแบบนี้กะจอกเลยก็เมื่อวานทดลองงานเนี่โอ้ทดลองงา ยังว่าใคร่เออพอไปเนี่ับเกลียวะอมาลกต่ไปอย่างเนับเกลียว่วานียมันเข้าเดี๋ยว่าสัตเล็กเยโอ้ยขอยูรับหนึ่งครับคือถือว่ากุมตัวดเแน้เม่ยบอกเนี่ยุมมาหาเช็งเสร็จปะไหนอ่ะนี่ยคับเกลยวกับวานี่ขอเป็นทุกที่ทุกทาท่านจามาหา มีนะมีการไหมคัตสียว่ามี่ของตัวคนพวนี idée, ้ค okay. oh ัตเสียว่าพวกี nine, ้เขาิก so ันได้ของเขาอนเลยบอกฝากเฮ้ยาบอกไปเล้วเอือนบมดเลยบอฝักเฮ้ยมีไหมใครจะาหาแ้วบอกไปแล้วเอื้นข้าบอกไปแด้เอื่นทำมาด้บัมใจเข้าเนี่ยวะพวีแนเขาไม่ยอมม่เหรอเขาไม่ยอมไม่ยอมข้าดูย่ง ทำงานจับงาองไเย็นด้วงานจทำงานตองเรีนต้อัเนวดบไปเจ้าองจ้งนหัวขับหัวต้นงานขับเรียนกมาจ้ามันี่ก็ขับไปขับมานีก็จะื่อมจบกุ๊กยูนั่งบนขับปุ๊กยูนั่งบนขับแล้วลงปูหมาขับลงปูเขตสำรวง ผมันแค่สุพรรณบ่รีมาถ่ายรูปแล้ก็ทำแต่ช่ดงเย็นก็ถืกระเป๋าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยมีห้องบนข่ายเยอะส่วเดียวตอนนี้ก็เป็นตกวเปนท้าบมันโอ้ยหาหกหมื่นก็ได้เลยนักข่า กูจัดมหาวัดที่วัดที่แหลกว่ะแต่เขาอาหารถัไหลก่อนเขามาวัดแต่ว่าได้รับอาหารมาสัเขาบอกวัดเขาหมดเเขาว่าสัเก็บเงิก็ไม่เว่าสัตตัวภาษา่าอะเขาตัวสาษ่าอับที่เขาบอกว่าสัตวแจะไปงินสัเขาไม่เขากินอยู่ว่ัตนยามแรืนลงมันก็ตายอวสักรอแต่เขาว่าสัตเขาก็ยังว่าสัตอยู่ว่ะ เปย้อมาช่ยังไวอนนัเนี่ยผู้สอบสวเรื่องอะรวผู้สอบสวป่วยผู้สอบสวนเรื่องอรวป่วยนอนข่าทีอยู่นอนขาทีป่วยสีสั่ออกให้พ้อควายิงเมียดที่ ตังวนน่องต่องต้องต้อลอยลอยบ้านใครกดำขา้าว่้าวส้กวข้าวข้าวข้าวข้ใวข้าวข้าวข้าวข้า้าวข้า้ายข้าวข้าวข้าวขา้าาวข้าว้าว้าาวข้้าวข้าว้าวา้้้้าา้ จะได้ขึ้ไปกับพกันไวจากเบิ้องแรกเพื่อได้ทงินงานวันหนตัวนี้เราพูดง่ายๆตัวเคี่ยวเป็นอะไเคี่ยวเป็นอะไรเคี่ยวเป็นขังที่ก่อนเคียวอกล่าตังขั้ที่บนต่อเปล่าตัวก็ตัวเหมือนกับมันคู่เข้าแล้ววาจะเห็นตัวเด่ต้องต้อด้องต้องปูนต้องปูอง เด็กสองคนจะไปน้องเโอ้ยยังมาเก็บายเอาอี้มาโกเมี่ะอยากย่างอันนี้ก็มาเรียนกรมกันไรแฮมเขเห็้ไห้ย่อ่ะแค่เพื่อเขเห็นโตนะจ๊ะแอ่เพื่าจะบอกโตนะ ลูกกูบอกลูกกู่บบนี้หรอกแต่ว่าจะเป็นยังไงลุกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมลูกสาหน่าก็จะเนี่บแบบงานพื้นบงจังไปไหนจะเคยพื้นเยอะบ้าง่อ้ยแบบเจ็บแบบปวดไปได้เอ้ยนั่นเองเงี้ยมันเศร่า่ากเงี้ยมันขึ้นมากสิห้องของเราขึ้นมากห้องของเร่ขึ้นมากห้องที่ร่ห้องล่างมา าารา ง, ง, งหน า, า, า่วนปอปอรรุ่ม่าลยานต้นงวกผมเามาตัวเตนตัวบอกเยอบก็อย่างนี้ตัวบ้นไหนเหนันไเห็ดนัพกนันี่มันเป็นยูนิคอร์นก็จริงบอก่ยอะกว่าแต่เลยข้ามเงย่านอกันยูนบคนไห น, น มิจะบอเรื่องสมาสมาบัตรี่เมื่อจะบเรื่องกินเรื่องขี่ตลบดปเด็นมือหอเนยมืหอกิดอันนั้นเดขี้อันนี้ตัวมเล่าเอาวกันักกั้งี่ยนิ่งมากันอะรแต่นมาวันก็บมิจอดกอนมัคือมือห่อหรมืห่อเนียเย่เย่เยเยเย่เย่ทุกทีตอนเด็่ทุกทุกเวกต่ำปุ๊บทันว่อคุยกันด้วยวอ ใส่คอนเสิร e ์ตได้บหางตรงน้นเองใส่ลูกปูใส่ลูกลูกปูหวานหวานฝากระเบ็นได้เลยกรรมฐานจะซื้อก็จซื้อได้องมันเป็นกรรมฐานได้ตรงนั้นเองลองกันบ้างผ้าหยาบผ้าง เบุรกุ้เขาก็เอาส้มทบเนี่ยนม่นี่ก็มีในหลวงปู่หมัดก็มีในหลวงปู่มหาเน่ยองสัานี่ยกันเนี่ก็เกิดใคคือว่าว่าจื่อหยงายสูงบ่ใชไหมเสมอพระองค์ไหนบอาเรื่องศิษไรนี้สักว่ามันเป็นคิษย์เรื่องศิษกนจ้ะมก็คอยหลวปู่มหากนหลวงปู่มา ล็อคุมอาหารลดน้ำที่สุดลดน้ไฮโดรานก็ที่ใครจะไปท่านเข้าหัวลำลอกคุมอาหล่าบาดนสาสีหนาดอกตุวแ้วก็คอยบอกยางไปนกัดเดินทางไว้ในกำกันจะไปก็เ่างสาวก็คอยสีหนาดอกบ้าน่างอองก้อนกุญแ้วก็คอยบอกยามแลกมาเลย ตะกีมันเรจะเลิกแย่ตะกีมจะต้มย่างร้อนแ้วกิแล้วมัเศร้ามากกบนี่แหละเนี่ผมหน้าเหมืนกันี่แหละไปพ่อหน้าร้อนราวนาล้าตาเท้นไปพ่อหน้าเขาทักผมผมช่วยเมือหน่อยไปพหน้าไปแน่ผมตัวคน สมเห็นปอดปอจะหันหัวโมงตัสมแล้ว wow. ช่วยดาลยเคอยบอเอย่นี้ว ah ่าอยากันยินดีนะครับคนพระธรรมมาสสาเสียเตียว สีก้อนยนดีง่ายใจโลกระถาละลานขนาดจีฝนเมืคืสบายเนื้อหน้าบ่บ่โดนเมื่อเน้าหน่อยทุกชักทุกคนพีภาษาได้หน่อยตรงนี้็จะมี้จะพีภาษาพุทธมาอยู่ดี กูได้แต่ว่าถ้าหญาเขียวถีตายถ้าบันกตายก้ห้าเขียวไปก็เก็บบหสเวลานเชียงบุญเชียงกรรคือเราไม่เขาใจคอม่ขจออจเชียงบุญเชียงกนี่้อหน ก็ここ <t> เห็นว่าตายกคได้สองหนูจะไม่เหนน่นำม่นท่านเป็นโจรไปโตฮะหออกมาค่ะี่เป็นโจรเนตออกมาเพราะิงเ้นนี่ออกมาค่ะนี่เพรแต่ปกคอออกมาค่ะนีเดี๋ยวก็ตาย พอหาเดืเดนเอนเท่าดอหนูออกมาขมิ้นตายออกมาขมิม่ถัวหนัายออกมาขมออกกับข้อมากหามไแ่ไแงแงว่าท่านพห น, น, า น, าานหนึตายขมแ้่สองหนึสามหนตายมิหน้าระวางวันนึงก็ขึ้นนึงนี่คนเกิดตัวทุ่ ทุกยีนาที่ไม่สัตว์ตายอยู่ทุกยีนาที่ไม่สัตว์ตายอยู่ทุกยีนาที่ว่าก่อนเกิดที่มันได้กอนตายว่ า, า ง, งีา้งร น, ร, นรับมนก็ีควายทุกอันทวกเด้อเดี๋ยวสเขเียใก่ก็ไม่หลังมันตึงมันก็ทำมันก็ใส่มันก็ตึเด้อมันเขียอะไรไก่งึงก็ตึงไก่มันก็ตึงก็ไม่ตึงนะดี๋ดวว า, าใจนึงเอาก็ไหลังมันเขีย เาแขง้อไพียอมันงอตัวอจะงแขงอย่ง้อแขงใจยแ่อยก็เฟวเฟี้ยวเหนใจซึมเยนงเครื่องนี่มันบคมเล่หอกตัวมึเนีมาแข่งข้อไว้าแข็งขอไว้ต0แล้วยกอมือก่อนมันบอแยกข้อมือ่นอ่แขงอเยกกอใจรอ ฉันสบายนังไฉยๆได้เลยคนต้นเหมือนคนพระข้างกระจกนี่นั่งเียบๆอยู่คมอยืนอยู่นี่นก็จะตาเสียนะคนนั่งมันก็ออกจากมลคอกมาเกิดเคยมันก็มาจากวัตถุนาาลวัตถุนาากับองมันก็ถึงเหคือนคนพักข้างกระจกนี เส้นต้องเข้า่เงี้้ า, ยยาพเก่าบท้าวานไนะม่ไก็เพือเปลี่ไหวเปลี่ยนน้องนอยน้องถ้พูดถเก่าพลาดว่าพี่นเดียวอบเเ่ยนั่นนี่วนกกนี้เป่นด้ววันนี้แต่าเกิดเป็นวันนึมเชั่ว่าันได้มจะเ่า ม, มาอกมูบอกหลายหลายเลยนะต่อให้ออโตต่อให้โต ขอหน้ามันแก่ลงพอได้เนี่ยรถต้ส่งใส่ก็ไสแต่ดีเขาแห้งเต้องใส่เนี่ยแต่เขาเาทำเตรงหันใจเขแห้งรถต้งไม่ใส่ช่วงเวลาเขาใส่เน่ยผมงฟบ้ากไปได้อยู่ผก็ได้ทักไปได้เี่ยผมไปได้ ให้ตามาตาดังเชื้อเ่ย่ากอะไรเห็นแค่มี้ผู้อาวาธหาเขาเขา่เห็นไ่ได้เห็นหน้าหรอกแต่พอได้กินแค่นีผู้อามาธหอยู่นะคุณบางก็ว่าผสจิตใจนักหนาเลยนักหนาในวยคทรานของผมก็คือ่าริดต้อยหลังจากเดือตายแต่ตัวตัวตายมากเขาไม่เห็นจ่ตายในี่สองห้าสมมตคุ้งฝ่ากระ้างเดี๋ยววนนี้จะเขาคุ้งกระส่าอาหมดว่า เมษีไม่ใช่คู่ฝามันก็ะามเมษยังเป็นเดินกระสาบด้วนึ่สิจะมาไหว้คู่ฝาของกระสาบ่ยอนมาสินี้จากพูะพุทธาสาองเลยบอกสัตเอาบอกว่าพระศิวะเขาด้เกิดที่ัดสาบเมื่อนสาจักรศีลเขาสู้เขาจะพัดพระิว่นาดนั้เพราะว่าถ้าพัดสาบเมา่อนสาบเมื่อหคนเมษีไมใช่จดเพนฝาของกสาบย้อนมาตายมาเกิดเท่านี้เอว่าสัตวจักรศีจากพระทธามาสองไหยกศีล้สัว่า บอกวอบเงินสดแก่สารสัตว์บอกจะปนได้ยังแต้องป้อนแล้วมันก็ได้มาหรอกมัได้มาหลายเท่าหรอกต้องป้อนนี้ยมันต้องป้อนหลายมันก็ได้มาหลายเท่าอยู่ได้มาให้เท่ากันแล้วต้องป้อนเนี้ยโอ้โหเนี่ยมิสารพุทธมารูกนะบอก ก็ได้ผ้าจ๊กคุ้ยต่าด้วยด้ัเขียนยังไม่ทราพหมอโลกหนึ่งเ็ัวองเก่าเลยเป็นแคบตัวเก้าแล้วเป็นแคบตเกจาต้องการเก้าี่เพื่อให้เขาได้เงินเงอแม่ของม้าบริวารก็งขวบข้าวนนะนีจะไปด้ก็ได้หาทังเชื้อข้าล้เส้นน้าห้องถึก็เกิด้เือ้าเช้ขาวตปังนะห้องหา้าวต้องมสารมเชือห นำะเขาจะต้องเก mm ิดว่าเกิดเขาจะต้องแบบเมื่อช้าเขาจะอาจะทำแวบนึงเขาจะอะไรแบบนีาก็ต้องบอกเขานึ่ก็ต้องดูเขานั้นเขาจะต้องเขามองเนี้ยแล้วตัาต้องตัวเวข้จะพลาตัวไปนะเขาบอกเนี้ยแลวตอนต้องว่นเขาขายเขาบอกเนี้ยตัโดดจะทำเน้ยตว่านเขาขาดเนยและเขาจะพลาดไปเลยนะไปล้ไป อ็ทำให้โตลงมาแล้วตอนั้นเราขายไเงี้ยมุ้ตัวเบาอย่างเงี้ยมันขายไดเงี้ยบางบ้างก็บางทีเขาอาจจะชอบแบบจะสับเปล่าเนี่ยเขาให้เาลยมเาตัวคือแบนแบบหล่อแบบนิ่มอะไรเจีังไม่ทราบพม่าโรกไม่ทราบพม่าโรกมันตัวแค่ตงไหนเนียเดขาเดียวอาฝากินลมแล้วกวมันนิ่ น, อน่องยางกีเรสแล้วมุดน้ามดำหน้ามดำบ้านว่าจังข้าวข้มมะลกข้าดินข้าดินเขา่าว่าจังข้าดินเ ข, าข่า เ, าาาเาาคื่มมคอมาานว่าัช่กระโปงว่าัตข้าดิเทียกกินข้าวข้ลุมนีโยม้าวมมโลก เขาขี้รองอะไรขอข้าไปกินวิชาพวกมรดกหน่อ่โต๊ะน่งเป็นหาบใช้ ว, วิชาพกมามแต่ละทอหนยไไม่ทางไหนก็ได้เดียวใส่ในพระพทสงค์่าไข้ะเือกับไปวิชาพวกมรดกไปกน วันยาดในซาคืองตัวเล็กก็เยอะเาเดียวจ้าฝากตัอก็เหลือเยอะแต่กงตัวใ่ตองไเียไปนซาข้อจะไปแค่ในค้าดแต่หยาดก็ขนาดนี้ถ้าเข้ามาจะทำผู้สามอ่อนน่แก่าวอะไรอย่างกอยากป่ในควาดก็มีอย่างน้จังทกครั้เล้่เานายหมอก่ารัามดควาดในใหลายมันง้มันเสี่ยง น่จะกอบหกม่จะลุ้ทานเพิ่มไม่จะลุาดไหไม่จะลุ้งหดลุ้งปวดไม่จะปวดจะนาไไงคิดคิดใจว่าไงสินาววัดตาทองศารเจ้าปวงเขาสู้พระนทานได้เห็นวัดตาทองศารเจ้าปวงเนี่ยปันวันลุ้มาเพิ่มโลกผ่อนมมกเห็นผ่อเกิดก็ลุกอดพอมมกเห็น่อแกก็ลุกผ่อผอมมะโลกเ็นผ่อนเจ็ก็ลุกผอนผมลก เด็กกองตายก่กาควใกอันากกไม่จกองทุกวัดเสมอนากองไส็วัดด้วยวันสรรก็ดิใจก็เลยเรื่อนายขนเพื่อจะม่เคยพ้มาก่อนมากเลยเขาตัวเขาไม่วอยู่ก่อนอ่มาก็เรวากว่าก้ามีคเจ้าขเล้ยเขาหันกันี่คือสัญการลา เคยฟังคุณตามมาอยากเป็นหน้าเคยได้ฟังคุณตามายากเปนห้าเคยด้่าังหน้าพ่อวนาน้ายากันหน้าเคยไดพอวนห้ารูุ้ณตสังว่าพ่เด็กเปนหาคุณฟังดีสองแม่เปนหน้ากาคชฟค่โตเป็ู้้าดีแล้วชื่อฟาี่ตาเป็นตัวงายสองงายเด็นยวบางคนอนจโดดดีกันนะแว ถู้ถือมันคนรท่นผสมแตกี่เปมันกะได้บุญเยอ่เสมออื่นน่ชาวอาแถบมองไสยสีโยแบบเก่าเนีู่ถือเยอะเสมออื่นนี่บางได้คข่แบบใส้เงินเอนก็ได้บุญเยอะเสมออื่นที่เพิ่มเงิตัวคือฝนตกเยอะเสมอเสมอมันก็หงนานเยอ่เสมออื่นน่นั่นเอูว่าถ้ามันควรท่านผสมมันก็ได้บาปเยอ่เสมอว่าอย่างไรจ้ะผคิดใจเนื่องนที่ท่างบาปนี да. ido, ibles, uh, ่เนื่องคนที่ท่านไม่มีบุญไม่บาปมันก็ได้มันก็ได้บาปเยอะเสมออื่นนั่นยอมยอ มกมาตนาหนพ่อวานา่านักกุศโลยพ่อวานาพุศโลย์กทำโมพ่อวานาทมโมนกสังโคยพ่อวานาสังโคแล้วก็ไปเคลือบเส็นเดียวกันนอะเปเคล่อบเส้เดียวกันน่ะต้องเส้นไหนมันก็มุ่งมันมัคือไหวมันไปกองลูกปลายห้างะดงเส้นไหนมันก็ก็เทืยนมันมันกอกแบน้ น้โม่ควาำเมล็ดครบพัดไตรก็จะง่าเข้อดีน้องน้องวายข้อดีครบพัดไตพีรบหอกแก่เมื่อีพัฒนาเหมือนันหมพอพุก็ุ๊กเจ้าทุกทุกองหพดทุกทุกคว่ำเถือพุกตุ๊เจ้าทุกองถ้าโม่คว่ำ็ดถือพัฒนาองขตอนนนพุกติเจ้าทุกทุองสังโมคว่ำเมล็ดถือพัฒนาสององ์พุกตุเจ้าทุกทุกองในขั้นแถวในขั้พัดนาหนึ่ถือพุกตุเจ้าทุกทองหัวของสั่งว่า ร่วมหายใจเขาขั e his, his, n, the ้น like ั่นสิเขาก็ร่วมสืคือพขาก็ทิดจจรุ่นทกโมก็ติดใจรุ่นทกงสอนน่นั่นมันสืคือเรื่องก็ปัญญาของเขาถูกเปลุ้กก็จสตปัญญาของเขาปัญญาอย่าก็ต้สตีทุกคนในประเู้ก็ปัญญทุกคนในประเทศทุคนตองกับพ่อปัญญาที่เขาใชเส็จก็ตงสร็ัตอนน้นที่รุ่ทุกคีกับพ่อปัญญาปัญญาม่มันไหนทีสมาี่ปัญญสมาธิก็จะไมมีบัญพปัญญาเป็น เป็นคจักเน่ยผู้มีปัญญาข่ะักษ้าชินว่าไรผู้มีปัญญาค่าหายท่านวอาไรเนี่ยผมมีปัญญาค่าพระวนาว่ไรเเดี๋วอ้างได้ครับลองกินสามารถที่ปัญญาจะไปทั้กันลบๆกันอย่าอบกรโดดุกทหารเนี่ยว้าหันว่าเป็เวียบด้วน้องนี่พูดได้เสืยดสาท่าแกรมันก็มีหลายดอกมันก็ไม่น้อยนัหรอกม่น้อยย้อนไม่ใจเนี่ ไล่ก <aí> ็ไลออกกับใจนอก็นอมาหาใจเยอะก็เยอะรมาหาใจขยายขยายออกไปจากใจพับกันเอาเหียอะไรกันายอี่อื่นยอะกเยอะรมาหาใจขยายขยายออกไปกักใจวางเลยวางไปือยกันนะไลยก็ไล่กระจายเป็นผู้พ่อเหตุไล่นอนกระจาป็ผู้พ่อเหตุหน่อยวางไ้กันพ่กูวางใจตรงนั้